ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุรชนทั้งหลายการบรรยายประสูทธ์ในวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องของพระรัตปาะเทระซึ่งเป็นพระเถระที่ได้รับจกจ่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้มีศรัทธามากมีข้อความ โดยสรุปว่าเมื่อพระผู้มพภาคเจ้าสเสด็จประทับอยู่ที่ประเชตวันในกรุงสาวัตถีตามปกติแล้วประชาชนก็ไปฟังเทศกันรประจำก็ไม่ได้ฟังเจดวันครั้งก็ฟังกันทุกวันวันหนึ่งรัตตาปาละรัตตปาลกุมารซึ่ง เป็นลูกของเศรษฐีในเมืองนั้นมองเห็นประชาชนเดินไปเป็นขบวนก็ไปสอบถามว่า ป, ประชาชนก็ไปที่ไหนกันเมื่อทราบความว่าไปฟังเทศในสำนักของพระพุทธเจา้าก็เกิดสนใจขอติดตามไปด้วยในขณะที่ฟังธรรมอยู่นั้น พระพุทธเจ้าทรงกําหนดอัธยาศัยของท่านโยก็เทศธรรมะคล้อยตามอัธยาศัยของท่านโดยหลักเส้นที่ได้กล่าวในวันก่อนคืออนุบูปีกถาการริยสัตสีแล้วก็เกิดสนใจเกิดศรัทธาเลื่อมใสเป็นอย่างสูงแต่มาคิดอีกทีว่าธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงมาทั้งหมดนี้ ตาก็าอยู่ครองเรือนเป็นคราวา์ก็ไม่มีโอกาสที่จะทำให้สมบูรณ์ได้เพราะมีปัญหาในครอบครัวอยู่มากจึงตัดสินใจว่าจะออกบวชในสานักแต่ว่าจะขอบวชในตอนนั้นก็กลัวว่าทางบ้านจะรู้เพราะฉะนั้นเมื่อชาวบ้านกลับท่านก็ทำทีว่ากลับด้วยแล้วก็หลบ กรับมาเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ลำพังเอกมาถึงก็กราบทูลขออนุญาตเพื่อจะบวชเป็นภิกษุด้วยพระพุทธเจ้ารับสั่งถามว่าพ่อแม่อนุญาตให้แล้วหรือยังท่านบอกว่ายังไม่ได้ขออนุญาตกรับสั่งให้ไปขออนุญาตพ่อแม่แสีก่อนท่านก็ต้องไป ไปถึงมารดากระบิดาของท่านในฐานะที่เป็นเศรษฐีนั้นประการหนึ่งอีกประการหนึ่งก็มีลูกคนเดียวตอนนั้นเองทั้งสองท่านก็ไม่ยอมโดยให้เหตุผลว่าเจ้านั้นเหมือนเหมือนดวงตาของคนที่มีตาข้างเดียวการจากไปของเจ้าก็เหมือนกระตาบอดเพราะงั้นพ่อทั้ง พ่อกับแม่จึงไม่สามารถจะให้เจ้าบวดได้ลีประการหนึ่งธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นเจ้าก็ปฏิบัติอยู่ในบ้านเนี่ยแหละรักษาศีลฟังธรรมไปก็ปฏิบัติได้อยู่ได้โดยไม่จำเป็นจะต้องออกบวดแต่เป็นการมองกันคนละเป้าคือพระรัฐบาลท่านมองเป้าสูงสุด มันดาบิดานั้นมองเป้าในทางปณิประนอมคือปฏิบัติธรรมะด้วยแล้วก็อยู่ครอบครองเรือนด้วยซึ่งก็เป็นเป็นการมองคนละ ค, คนละคนระดับเราไม่มีใครจะมองถูกมองผิดเรวก็ถูกด้วยกันแต่รัฐบาลนั้นศรัทธาแน่วแนว่มั่นคงโยครอนไม่ไหวแล้วในสุดท่านก็บอกว่า ถ้าไม่ยอมไม่บวชท่านจะตายอ่ะจะไม่อยู่แม่ก็นึกว่าพูดเล่นเป็นอารมณ์คนหนุ่มก็ไม่ว่าอะไรไม่ไปถูกเจียงอะไรก็แก่แล้วเข้าไปในห้องไม่ยอมนอนไม่ยอมลุกขึ้นไม่ยอมกินอาหารไม่ยอมอาบน้ำไม่ยอมอะไรหมดเลยแม่ก็อ้อนบอนขอร้องยังไงก็ไม่ยอม ก็มีอย่างเดียวคือจะให้ตายหรือให้บวชในทสุดก็เอาญาติเอาเพื่อนฝูงอะไรมาช่วยกันมากนะฮะแต่ว่าคนก็หิวลงไปทุกวันทุกวันในที่สุดเพื่อนเขาก็เสนอว่าก็เห็นจะต้องให้บวชเพราะยังไงมันก็ยังมีพระรัฐบาลอยู่แต่ถ้าไม่บวชเนี่ยไม่มีทั้งพระทั้งทั้งลกูก ว่าแกตายแน่เอก็ไม่แน่หรอกว่ารัฐบาลบวชไปแล้วจะอยู่ได้เพราะว่าการบวชไม่ใช่ง่ายวันหลังอาจจะสึกมาก็ได้ในสุดมารดาบิดาก็ต้องยอมให้ท่านบวชบวชแล้วตั้งใจบําเพ็ญเพียรก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหรันต์ ในตอนต้นต้ น, นมันดาบิดาก็ส่งคนพยายามที่จะชักชวนให้กลับออกไปให้ได้แต่ท่านก็ไม่ยอมกลับตั้งหน้าบำเพ็ญเพียร เ, เรื่อยไปจนบรรลุมรรคผลเป็นพระหันไปคราวพระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งพระสาวกในตำแหน่ง เ, เรียกเอตัทคะคือยอดของพระสาวกก็ทรง ยกจ้องพระรัฐบาลว่าเป็นยอดของภิกษุที่บวช ด, ด้วยศรัทธางานเด่นของท่านเกี่ยวกับเกี่ยวกับโรคกระทัดของท่านที่จริงก็เป็นโรคกระทัดของพระอรหันต์ทั้งหลายก็เหมือนเหมือนกันแต่พอดีท่านเป็นคนแสดงเรื่องนี้ซึ่งเราเอามาพูดกันอยู่เสมอคือ เ, เป็นการสรุปโลกไวส้สั้นๆเพียงสี่ข้อตอนนั้นเองเรียกว่าธรรมมุทเทศ สี่ก็หรการหนึ่งท่านไปพักผ่อนอยู่ที่ป่ามะม่วงพระเจ้าโกรับพระยะซึ่งเคยเป็นเพื่อนฝูงกันมาก่อนมาพบข้าวก็มาสนทนากันท่านก็บอกว่าเป็นเรื่องแปลกท่านเองไม่เข้าใจว่าคนที่บวชส่วนมากนั้นเป็นคนที่มีปัญหา จนว่ายากไร้ไม่มีคนที่จะเลี้ยงดูหรือว่าเป็นคนแก่ชราเป็นต้นเนี่ยแต่รัฐบาลเองยังหนุ่มมีฐานะมั่งคัง่งแล้วก็มีความรู้ดีไม่น่าบ่นนี่ก็เป็นการมองจากมุมหนึ่งของของคนนอกฮะแต่รัฐบาลนั่นท่านมองอีกมุมหนึ่ง แต่มองในรูปของชีวิตเพราะชีวิตทุกชีวิตนั้นมีความเหมือนกันแต่ก็สรุปออกมาเป็นเป็นสี่ข้อความว่าโลกคือมูสัตต์จำนวนบลีนะฮะจนวนบาลีตะกอนว่าโลกคือมูสัตว์อัญชารานําเข้าไปใกล้ไม่ยั่งจืนโลกคือมูสัตว์ ไม่เป็นใหญ่จำเพราะตนโลกคือมูสัตไม่มีอะไรเป็นของของตนแล้วจะต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปโลกคือมูสัตมูสัตรพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุของตันหานี่คือความเหมือนกันของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายไม่ว่าจะยากดีมีจนยังไงก็ตาม ประวัติของพระเถระก็ทําให้เรามองเห็นอะไรได้หลายเรื่องหลายตอนด้วยกันประเด็นแรกคือคนละบุตรที่มีศรัท ธ, ธาออกบวชในแนวนี้นะฮะจริงๆไม่มีเฉพาะท่านองค์เดียบมีเยอะพวกที่ยอมตายทำไม่ให้บวชก็ขอตายแต่บางองค์ก็เดินทางได้ตลอดบางองค์ก็เดินไม่ตลอดแต่ส่วนมากไปตลอดนะะเพราะว่ามั่นคงมาก ก็มีเป๋อยู่องค์เดียวคือพระสุทินุลินสุทินกัลลันบุตรแนวเดียวเหมือนกันหมดเลยกับพระราฐบาลแต่ท่านก็มาพลาดในตอนหลังพลาดก็ด้วยอะไรคือความรู้เท่าไม่ถึงการแล้ก็ด้วยมารดาของท่านเองแต่พระรัฐบาลนั้นมีความมั่นคง ตั้งใจจริงมีความเด็ดเดี่ยวในเรื่องเหล่านี้ซึงในกรณีนี้ท่านทั้งหลายจะเห็นว่าการมองโลกเกิดโลกเดียวกันเนี่ยไอพื้นฐานทางสติปัญญาของคนอย่างได้ไม่เหมือนกันที่จริงการเรียนรู้โลกเรียนรู้ชีวิตเราเรียนเรื่องเดียวกันมาตลอดก็ไม่มีใครเรียนนอกไปสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียนก็คือสิ่งที่เราเรียนดี๋ยวทุกวันนี้ แล้วสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียนก็คือสิ่งที่นักปราชญ์ทงหลายเรียนกันอยู่ในชาติก่อนในในสมัยก่อนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าอย่างได้ลึกไม่เหมือนกันในขณะเดียวกันในการจากการอย่างไม่ได้ลึกเหมือนกันเนี่ยคนจะได้รับผลจากการเรียนแตกต่างกันด้ความคิดเหล่านี้ก็มาออกเป็นรูปธรรมในตอนหลังคือตอนที่เกิดหม้ายยานขึ้นเนี่ย แต่หมายานก็พูดเบ่งเบ่งนะฮะพูดในธรรนอนเบ่งเบคือเขาบอกว่าของเขานั้นคือพุทธยานพุทธยานปัจเจกยานกับสาวกยานพุทธยานก็หมายความวายานของพระพุทธเจ้าหรือบางทีเรียกว่าโพทธทิสัตว์ตัยานปัจเจกยานก็คือยานของพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ท่านสัสรู้โดยลําพังตัวท่านเองไม่สร้างศาสนาและสาวกยานก็คือ ญาณของพระสาวกญาณคือภาณะนะฮะญาณนญะาณคือภาณนะของพระสาวกแล้วก็ยกอุปมาคือยอมรับถึงการหมดสิ้นกิเลส ข, ของบุคคลทั้งสามญาณแต่ว่าไอความอย่างลึกในด้านธรรมะเนี่ยมันแตกต่างกันโดยอุปมาเหมือนอะไรช้างม้ากระต่ายนะ ข้ามแม่น้ำคงคาได้กันมันก็ข้ามได้ด้วยกันแต่ว่าช้างนั้นจะเหยียบสัมผัสดินตลอดจนขึ้นฝั่งเพราะช้างตัวสูงใหญ่มานั้นถึงบ้างไม่ถึงบ้างแต่กระตายนั้นก็ว่ายน้ำข้ามไปได้แต่ก็ไม่ได้แตะดินหรือไม่ถึงดินอาจจะถึงตอนขึ้นตลิง่งตอนลงตลิง่งแล้วก็อุปมาเห็นว่า ยานของเขานั้นอย่างลึกเหมือนกระชางข้ามแม่น้ําเจ้าปัญญาส่วนเรานะฮะส่วนเทราบาสก็บอกเหมือนกระตา่ายว่ายน้ำคือว่าอยั่งได้ตื้นอันนี้ก็พูดเบ่งแบบมายานมายานเขาเรียกชื่อเขาตัวขึ้นต้นก็ใหญ่แล้วฮะมายานหรือว่ายานภาณะที่ใหญ่สามารถช่วยขนหรือผลสัตว์ได้มากแต่ก็เรียกเราว่าหินญาณคือยาณแคบจะแคบยานเล็กยานเลวช่วยคนได้น้อยนะฮะ แต่ว่ายังไงก็ตามคือมันก็มองออกมาเป็นเป็นรูปธรรมและเป็นหลักในการปฏิบัติได้ว่าในจุดเดียวกันนั่นเองเรามองเหมือนกันแต่เราอย่างได้ลึกไม่เหมือนกันการมองของมารดาบิดาพระรัฐบานั้นท่านก็มองเห็นก็ถูกต้องของท่านที่จริงเราอยู่ในที่ไหนถ้าประพฤติปฏิบัติความดีเราก็ปฏิบัติได้ แต่ประธานานั้นท่านมองในลักษณะที่ต้องการเร็วอ่ะเพราะเป็นคารวะถ้าโดยมองถึงหลักฐานเรื่องราวต่งตางๆของบุคคลต่างๆในสมัยพุทธกาลทั้งก็บรรลุปปรผลกันแย่เนี่ยฮะเป็นพระหัน์ก็แย่เป็นพระหรันหในทัทง้ทงๆที่ยังอยู่เป็นคารวะเนี่ยแต่ว่ามีข้อแม้อย่างหนึ่งนะฮะพระอาหารหันต์เนี่ยท่านได้บรรลุอรหันต์เป็นพระหรันทัทง้งๆที่ยังเป็นคารวะ จะต้องนิพพานในวันนั้นหรือบวชในวันนั้นนั้นมีอยู่สองอย่างแต่ไม่ได้หมายความว่าบรรลุอรหัตเป็นฐานไม่ได้เพียงแต่มีข้อแม้ในตอนสุดท้ายว่าต้องนิพพานในวันนั้นหรือบวชในวันนั้นจากตัวอย่างในสมัยก่อนนั้นก็มีทั้งท่านท่านที่นิพพานแล้วท่านที่บวชเช่นพระนางเขามาเถรีที่เคยเล่าให้ฟังในเถรีกถานะ เมื่อท่านบรรลุอรหัตเป็นพระหันแล้วท่านก็นพิจารายุสังขารของท่านเห็นว่ายังไม่สิน้นท่านก็ขอบวชหรือประทับพระมัระบุรหรือสังกิษ จ, จะสามัญเนรพวกนี้พวกนี้บวชแต่สีหะเสนาบดีพอบรรลุอรหัตก็นั่งบนหลังช้างที่เคยยกตัวอย่างมาตอนก็ไม่ทราบเรื่องอะไ ร, รลืมนล้ ท่านท่านพอบรรลุอรหัตบนหลังช้างก็สั่งเมาแล้วก็พิจารณาฟังธรรมะบรรลุมรรคผลบ น, บ น, บ, นบนหลังช้างแล้วดูอายุสังขารสิ้นก็กราบทูลลาบนหลังทางเองก็นิพานบนหลังช้างนั่นคือคือท่านรู้ของท่านเองอะว่าท่านจะบวชหรือท่านจะท่านจะนิพานประหารนั้นจะไม่ฝืนจะไม่ฝืนอายุสังขาร แต่ไม่ใช่ไปทําลายยุสังขาร น, นะฮะอย่างที่ปัญหาพรยามิลินที่ท่านไปถามพระนาคเกษบอกเออว่าเห็นร่างกายสกรปรกปฏิกูลน่าเกลียดแล้วทำไมไม่ฆ่าตัวตายเลยล่ะพระนาคเกษท่านก็ชี้แจงว่าพระอาหารนั้นจะไม่ทําลายจะไม่ทําลายร่างกายทั้งขารคือจะจะให้เป็นไปตามปกติธรรมดาของมันเจ็บไายได้ปว่วยก็ยียรักษาเมื่อยุทสังขารสิ้นก็จะไม่ฝื น, นยุทสังขาร แต่ในขณะที่อายุสังขารยังมีอยู่ก็ใช้มันใช้มันแต่ไม่ได้ใช้ในลักษณะของความรักแต่ความทะนุถนอมของแขนร่างกายปลนปลือมบำรุงบำเรือร่างกายซึ่งปัญหาข้อ น, นี้พระนักเสียงก็เคยถามเหมือนกันบอกถ้าพระหันไม่ยินดีในร่างกายแล้วออทำไมจึงต้องอาบน้ำรับประทานอาหารบริหารร่างกายพระนักเสียงท่านก็ตอบเป็นอุปมา ต่อเป็นวมาให้ฟังว่าเวลาพร ะ, พระองค์เคยมีบาดแผลหรือเปล่าพยามีดินก็บอกเคยมีองรักบาดแผลยินดีในะบาดแผลไหมบอกไม่ไม่ยินดีไม่รักอะไรทําไมธนุถนอมเหลือเกินจะแตะต้องแต่ละครั้งแต่คราวนี่ก็แสดงเห็นว่ามันไม่จําเป็นจะต้องรักนะครับแต่ก็ต้องรักษาวไว้บาดแผลก็เหมือนกันเราไม่ได้รักแต่ก็ต้องนุถนอมแก่นะนือจับไม่ทำเจ็บ แ็นแรงๆก็เจ็บดังนั้นการมองโลกของคนเราไม่ว่าใครก็ตามนะฮะจะมองได้ไม่เหมือนกันแม้ในจุดเดียวกันมารดาบิดาท่านก็ถูกของท่านในชั้นหนึ่งรัฐบาลท่านก็ถูกของท่านในชั้นหนึ่งแล้วความคิดทั้งสองชั้นนั้นก็เชื่อมต่อกันได้ รัฐบาลท่านต้องการเร็วนะฮะในความคิดเร็วในลนนนักษณะนี้เราจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้มีเฉพาะพระพระรัฐบาลเพราะท่านเหล่านี้ไม่ได้มองเห็นเฉพาะจุดนั้นแต่ท่านมองเห็นสิ่งหนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งคาดหมายไม่ได้คาดหมายไม่ได้ว่ามันจะเกิดเมื่อไร่นั่นคือความตายในความคิดเหล่านี้จะตัวอย่างที่พูดมาเมื่อครูตอนบรรยายกับบระธานนี่ คือความคิดของแบบพระจักกุบาลหรือความคิดอย่างของท่านภายยะทรุจิริยะที่พระพุทธเจ้าบอกให้รอก่อนให้เรากลับจากบินทบาทเสียก่อนแล้วจะเทศให้ฟังแต่มาอุย้ยรอไม่ได้หรอกไปชีวิตของข้าพระองค์ก็ไม่รู้ว่าจะตายตรงไหนแล้วของพระองค์เองก็ไม่รู้นิพพานเมื่อไรเพระาะั้นเทศกันตรงนี้ถึงเวลาแล้วก็เทศกันเลยเทศกันยุตเทศกันตรงนี้ไม่ต้องบินทบาตก่อนก็นให้พระพุทธเจ้าเทศให้ พระเจ้าก็เทศกันตรงนั้นในกลางถนนกันอย่างนั้นเองเพราะท่านมองมองถึงสิ่งหนึ่งที่ ท, ที่ท่านไม่แน่วันจะเกิดเมื่อไรท่านไม่รู้อ่ะนั่นคือความตายและในที่สุดพอท่านฟังเทศบรรลุอรหัตท่านก็ตายจริงๆท่านก็ไม่ได้ทันไม่ได้ทันบวชอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าที่หาผ้าพระเจ้าคมอยู่แล้วก็ถูกโควิด ต, ตายนี่คือพวก บารมีภายในใจท่านยะนะฮะท่านมองอะไรมันผิดกับคนอื่นเขามองคือมองในแง่มุมต่างๆและในที่สุดก็ต้องเอาต้องต้องต้อ ง, องบวชทรัพย์สมบัตินั้น เ, เป็นของนอกกายนะฮะในทัศนะของท่านทัศนะในที่นี้เป็นญาณทัศนคือไม่ใช่ความรู้แบบปริยัติ ในความรู้แบบปริยัติเนี่ยมาอย่างมองภาพหนังสือพิมพ์มก่อนอย่างนึกยิ้มยิ้ ม, ยมอยู่ว่าเออคนเราก็เก่งนะที่จริงอะ่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งสามีตายะฮะมีคนญาติพี่น้องห้อมล้อมปลอบโยนกันเป็นการใหญ่เออก็เก่งนะที่จริงอะ่ะเวลาสามีคนอื่นตายก็ปลอบได้พอโดนตัวเองตายก็ร้องไห้สามวันไม่หยุดก็เก่งเกือเวลาช่วยให้เหตุผลคนอื่นได้นะ มีฝีมือพอสมควรในชะั้นหะนึ่งแต่พอสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแก่ตัวเองจะตั้งหลักอะไรไม่ได้ราทำยังไงเราตั้งหลักได้ด้วยเราช่วยคนอื่นให้ตั้งหลักได้ด้วยนี่คือหลักในการเข้าถึงธรรมะระดับที่เรียกว่าคุ้มครองตัวเองได้พระรัฐบาลท่านเมื่อมองเช่นนี้ท่านก็เห็นว่าต้องรีบละ่ะ จะรอให้แก่หรือบวชตอนแก่อ ะ, ะไรอะไรมันจะอยู่ถึงแก่หรือไม่หรือไม่ก็ไม่รู้ไอมาตรการอย่างนั้นก็รู้สึกว่าเป็นวิธีการที่อดข้าวประท้วงอินเดียเขาก็นิยมกันนะฮะมาตมะคันทีอ ะ, ะไรอะก็ทํากันมาเรื่อยๆอุดข้าวประท้วงเนี่ยก็เป็นวิธีที่ออกจาก็ณ่เอ็นดูดีเราะไม่ไม่ไ ม, ไม่อุกกระทึกหรือโครกอะไรแล้วก็ทําให้ เห็นถึงจิตใจที่เข้มแข็งที่มุ่งมั่นคือคนรอยความความจริงที่เราใช้ไปในด้านใดด้านหนึ่งได้เนี่ยฮะแต่สมมุติเราใช้ไปในด้านผิดถ้าเราหักทิศทางมาได้หักทิศทางคนนี้ก็เอาจริงเหมือนกันนะฮะเช่นเช่นเช่นพระองค์ุลิมานะฮะคือจริงคราวหนึ่งก็จริงเหมือนกันพออาจารย์ที่สาปะโมกสั่งท่านก็จริงได้พอพระพุทธเจ้าหักมาอีกทิศหนึ่งท่านก็จริงอีก คือคนจริงมันก็จริงกันเนี่ยเราทำยังไงเราจรึงจะดึงไอ้คุณลักษณะเหล่านั้นของแก่ขึ้นมาใช้ไอ้มันเกิดประโยชน์ได้แต่นั้นเองรัฐบาลนั้นก็เป็นตัวอย่างว่าเป็นคนที่แน่ๆตั้งใจจะเอาอะไรก็เอาจริงแต่ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือความคิดในลักษณะรู้จักแบ่งแยกรู้จักแบ่งแยกไอ้สิ่งต่างๆที่ตนจะต้องเลือกก็เลือกเอาที่ดีกว่าไว้ก่อน ตกลงว่าเมื่อท่านบวชเนี่ยก็เป็นการบวชด้วยศรัทธาจริงๆไม่มีเหตุผลอย่างอื่นเอเอทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าในแง่ของประวัติศาสตร์หรือแม้ในปัจจุบันเองนะฮะพระเราที่ออกบวชนั้นออกบวชแต่วัตถุประสงค์แตกต่างแต่ถ้าจริงถ้าเรามองในมุมกว้างแล้วคนที่ทําความดีนั้นทำโดยวัตถุประสงค์แตกต่างกัน ยกตัวอย่างในนักสังคมสงเคราะห์เนี่ยฮะท่านจะเห็นว่าทําดยวัตถุประสงค์แตกต่างกันคือบางทีก็อยากจะได้เหรียญบางทีก็อยากจะได้ออกโทรทัศน์หน้าที่ก็อยากจะทําด้วยใจที่เสียสละได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่ต้องการอะไรเลยพวกนี้เอาก็จริงนะ พ, อ, พอการาบกรองกนะ็จริงเหลือไม่กี่คนหรอกนี่แสดงให้เห็นว่าโลกมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นเอง ไม่ได้ว่าเจาะจงคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งฮะคนก็คือคนน่ะพระก็คือคนชาวบ้านก็คือคนก็นิสัยแบบคนๆน่ะทำความดีอย่างคนๆมาก็อย่างงั้นแหละแล้วก็ตัวอย่างเรื่องนี้เราสามารถจะเปรียบเทียบในเรื่องการรักษาอุโบสถของเพื่อนนางวิสาขาที่นางวิสาขาไปสอบถามนะฮะเรื่องนว่าสิ่งที่ทำนั้นเหมือนกันแต่เป้าประสงค์ในการทําให้เหมือนกันไปถามคน ที่ยังไม่แต่งงานบอกรักษาโบสถร์ทำไมเราจะต้องการจะไปสู่สกุลสามีคือจะแต่งงานเร็วเข็ึน้นะง่ายง่ายแล้วคนที่แต่งงานแล้วว่ารักษาโบสถร์ทำไมก็อยากได้ลูกชายหัวปีคนที่ได้ลูกแล้วมีครอบครัวเรียบร้อยแล้วรักษาโบสถร์ทำไมก็ต้องการอย่าให้สามีมีพัญญาใหม่ คนที่แก่แล้วนะฮะไม่ต้องไปยื้อแย่งอะไรกไกลแล้วยายรักษาอุโบสถทำไมยอยากไปสวรรค์จ้านะฮะเราจะเห็นว่าเนี้ยก็อุโบสถ ด, ด้วยกันนะฮะอุโบสถ ด, ด้วยกันแต่ว่าเป้าประสงค์ในการรักษาไม่เหมือนกันแล้วก็คนกลุ่มเนี้ยกลุ่มกลุ่มที่เป็นอุบาติกาอุบาติกาเพื่อ น, นาวิสาขาด้วยกันแล้วพอเรามองถึงในปัจจุบันมันก็อีกฮะนันก็อีกเหมือนกันทั้งนั้นนะเพราะาโลกก็คือโลกอย่างนี้ พระเราบวช ด, ด้วยศรัทธาธก็มีด้วยเบื่อนหน่ายก็มีด้วยจําเป็นก็มีด้วยจําใจก็มีนะด้วยถูกบังคับก็มีอะไรเนี่ยเยอะสารพัดบวชเน่ยามาชอบคําพูดของสมเด็จพระสังฆราชเจ้าทิวัดเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชเจ้าท่านพูดแบบโบราณนะฮะคนพูดแบบโบราณทั้งกระถางความบาทบวชทําอะไรอกันไม่รู้ตอนนั้นกันเป็นเด็กๆ ก็จับไปบวชก็บวชอย่างนี้เกิดนั <c oughs> ่นก็ไม่รู้จริงๆนะฮะแต่ก็เด็กๆเขาผู้ใหญ่ก็บอกให้บวชก็ไม่บวชอะไม่รู้เรื่องขอบวชทำอะไรพระนาคเสนตอบเหมือนก็ตอนแนนั้นนะฮะจริงๆในตอนเราเป็นเด็กๆเราก็ไม่รู้อะเขาให้บวชทำอะไรพระนาคเสนไม่ไดไม่ลินถามว่าแต่ถ้าบวชทำอะไรก็ผู้ใหญ่เขาให้บวช ก็บวชแต่ก็มีความคิดดีว่าผู้สมณศาักดิ์จะบตรเนี่ยคงจะให้อะไรได้บ้างคงจะให้อะไรได้บ้างไม่งั้นคนก็คงจะไม่นับถือทั้งกบวฏอ่ะก็คิดๆเอาเราจะเห็นว่าฐานจริงๆก็ไม่เคยมั่นคงอะไรนะคนระดับออกมาเป็นสังฆราชเจ้าออกมาเป็นพระอระหรันเนี่ยฐานต้นก็ไม่เคยจะมั่นคงอะไรอะไรก็ว่าไปไเรื่อยๆอย่าเด้งแต่มันอยู่ถึงหลังว่าบวชแล้วทํำยังไงประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะฮะ ประเด็นอยู่ตรงนี้ประเด็นไหมว่าไอเหตุที่ให้บวชนั้นมันมาจากคนละวิถีทางกันปัจจัยให้บวชมาจากคนละทางการพระยสะท่างก็เบื่อหน่ายกันท่านวันดีคืนดีมองในห้องเป็นสไปหมดเลยทั้งก็เบื่อหน่ายกันท่านก็ต้อ ง, บ, ง, บ, อง บ, อบวชอย่างพระนนอย่างเงี้ยฮะพระนนแต่งงานใหม่ๆก็ยังไม่ได้ส่งตัวเจ้าสาพระพุทธเจ้ า, ช, าวชวนในิถือบาทไปส่งที่วัดยังไงนนจะบวชไหม มัก็จะว่ายัางไงจําเป็น จ, จําใจอตกก็ได้เพราอจนก็บวชไปแั้นเองบวชไปอย่างนั้นเองจริงๆเลยนะฮะไม่ได้สตทงศรัทธาอะไรตัวเอ้เพื่อนแต่งงานเนียไม่ส่งตัวเจ้าสาวจะศรทัทธาได้ไงแต่บางคต้องจําใจฮะพระพุทธเจ้ารับสั่งไม่มีคําตอบที่สองได้เลยเนี่ยนนจะบวชไหมจะทอมไม่บวชก็ไม่กล้าตอบกับพระพุทธเจ้าก็บวชแล้วบวชคือเรียกว่าสั่งให้บวชเลยกเป็นคําสั่งให้บวชก็บวชซะเลย หรือว่าทศยาศาส์เนี่ยท่านก็บวช ด, ด้วยศรัทธาแต่ว่าพระสารีบุตรนั้นท่านบวช ด, ด้วยเบื่อหน่ายในคราแรกนะบวชสํานักสัญญาบริพาท่านก็บวช ด, ด้วยเบื่อหน่ายนะท่านแต่พอบวชในสํานักพระพุทธเจ้าพราะท่านบวชได้เห็นธรรมได้เห็นธรรมความดีว่ายังมีธรรมะเบื้องสูงขึ้นไปอีกต้องรีบบวชนั่นก็แล้วแต่ทิศทางแล้วแต่ทิศทางอย่างพระราธะบวชเนี่ยที่เคยเล่าฟังพระราธะคนแก่ลูกหลานไปเลี้ยง แล้ม่รู้จะอ ย, อยู่ที่ไหนไปอาศัยกินข้าววัดได้บวชดีกว่าเพื่อนก็ไม่บวชให้หลวงตาก็ไม่ชอบบวชให้ <S 1> <S 1> <S ท่านก็บวชด้วยความจําเป็ น, นมันมันมันเลี่ยงตัวอะไรไม่ได้แต่พอบวชปั๊บท่านปรับอีกอีกนาอีกแนวหนึ่งท่านก็เป็นพระอาหารหันต์ได้หมดฮะพวกมาคนละทางคนทางกันเพราะงั้นไอตอนเริ่มต้นเด่กเขาไม่พูดกันนะเริ่มต้นมาจากด้วยวิถีความคิดเป็นยังไงนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง อย่างพระเจ้ากรภรยาท่านมองนั้นท่านมองเฉพาะท่านตัดสินเอาเฉพาะคนที่ท่านรู้จักแต่ถ้าไม่ได้มองให้ตลอดว่าปัจจัยการบวชที่จริงไม่เคยเหมือนกันมันเหมือนกับปัจจัยในการเป็นครูหรือการเป็นหมอหรือการเป็นใดนะฮะเป็นหมอบางคนก็มองเห็นเนี่ยเพื่อนคนรุ่นพี่ไม่กี่ปีมีบ้านมีตึกมีรถมีไรตะไ ร, รมีคลินิกส่วนตัวร่ํารวยคนบางคนในเห็นความยากไร้ของคนอื่นก็อยากจะช่วย นะแนวคิดแบบพระโพธิสัตว์ก็มีนะฮะแนวคิดแบบเศรษฐีก็มีที่เป็นหมอมันก็ไม่ได้เหมือนกันไม่หลยฮะนี่ก็คือความคิดหรือว่าแม้แต่การเป็นท่าของทาหารใดเนี่ยความคิดเพื่อจะทํางานเพื่อรักษาชาติศาสนาประมหาการสัตว์ไวนะ้ความคิดประเอยทางนี้กูพักเดียวเลยเป็นนายกอะไรอะไรต่มันคิดไปได้อย่งั้นน่นแหละแต่ใครจะคิดมันมีเป้าประสงค์อย่างไงเราก็ไม่รู้ความคิดเข า, าเขาคิดอย่างไงแต่เขาก็ เข้าไปแล้วปัญหาตํางการเวลาเป็นเนี่ยก็ทําตามอุดมการ์นั้นได้หรือไม่ท่านนั้นเองถ้าทําตามอุดมการ์นั้นได้ก็ถือว่าก็เ ป, เปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดเลยแม้แต่ ก, า, การปฏิบัติธรรมะเรือว่าการทํางานสังคมสงเคราะห์หรืออะไรทุกอย่างนะโ ย, ยมทั้งโยมสามารถจําแนกได้ทุกจุดเลยว่าที่จริงแล้วเนี่ยความคิดในการทําอะไรของคนไม่เคยเหมือน แม้จะเหมือนกันในโครงสร้างใหญ่แต่ก็มีเป้าที่ซ่อนเร้นนะฮะมีเป้าที่ซ่อนเร้นว่าเราคงจะได้เป็นใหญ่จากเรื่องเหล่านี้จะได้อะไรต่ออะไรจากเรื่องแบนี้เป็นต้นนะนี่ก็คือตัวอย่างที่เราเชี้้เห็นว่าโลกมันก็เป็นมาอย่างเงี้ยแต่ต้องต้องแต่ไหนแต่ไรมาการมองโลกการมองงานมองการกระทำมองอะไรเนี่ยจะมองจากพื้นฐานที่แตกต่างกัน แล้วจะมีป้าประสงค์แตกต่างกันทีนี้ <c oughs> รัฐบาลเมื่อบวชแล้วเราจะเห็นว่าท่านเดินหน้าของท่านเพราะท่านมาจากศรัทธาท่านเดินหน้าของท่านด้วยอาจริงมาตลอดจริงอดข้าวยอมตายนะฮะพอบวชไม่กี่วันก็จริงอีกจริงอีกจริงจริงหักออกมาได้ในความคิดเราที่มาเคยพูดเราผู้ใหญ่ในทางบริหารนว่า คือคนบางคนมันก็คนของเราอ่ะคือตัดไม่ตายขายไม่ขาดแต่ว่าก็เป็นคนที่ทําทุจริตอยู่ในด้านหนึ่งอะเรามองในรูปแบบยกตัวอย่างว่าเช่นพวกค้าไอ้ทำอาวุธเถื่อนเนี่ยอาวุธเถื่อนบางจังหวัดเช่นอุทัยธานีนี่เป็นเตาเลยนะพวกนี้เรามองในแง่กฎหมายมันก็ผิดกฎหมายแต่ในขนาดเลยเดียวกันก็เป็นอาชีพของแกนะฮะถ้าแกไม่ทําแกก็อดตายแกทําเป็นอย่างนั้นเนี่ยทีนี้ว่าทํายังไงอยากให้ผิดกฎหมายหรืออยาให้อดตาย มันก็จับมาก็อยู่ที่นี่กรมสรรพาวุธฝึกเอามาเรียนให้ทํางานในกรมสรรพาวุธเลยนะให้เป็นเป็นเป็นคนของรัฐทํางานให้รัฐแต่เลยไอ้สิ่งที่ผิดกฎหมายมันก็ไม่มีไอ้คนอดตายก็ไม่มีแล้วก็รัฐได้ทั้งงานทั้งเงิน้ทั้งคนมาข้าวทั้งงานอันนี้เรียกว่าไอ้สิ่งมันไม่ก็จะเป็นประโยชน์แหละแต่ว่าทํำยังไงได้มันก็เอามาใช้มันเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นมานี่เป็นตัวอย่างนะฮะว่าวิธีการใช้นะ เราเอาปมบางปมขึ้นมาใช้ให้มันได้ประโยชน์ในสายที่ที่ที่เขาถนัดอยู่แต่มองกันในแนวนี้ได้เราก็เราก็หาประโยชน์อะไรจากสิ่งต่างๆได้เยอะไปหมดเลยประการต่อไปนั้นคือการมองโลกนะฮะเรจะเห็นว่า ท่านมองโลกในแง่ที่ลึกแต่แ ต, ตอนนั้นท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้วผมพูดยาก <c oughs> คือพระอรหันต์ท่านก็เห็นอย่างนั้นแหละอระหันต์เป็นการมองตลอดกระบวนของสิ่งเหล่านั้นคือไม่ใช่มองเอาเฉพาะหน้าไม่ใช่มอง เ, อเฉพาะหน้าแต่ท่านจะมองตลอดสายของสิ่งเหล่านั้นถ้าเรามองเฉพาะหน้าในช่วงใดช่วงหนึ่งมันก็ดีนะในช่วงนั้น แล้วเมื่อมองตลอดสายแล้วจะเห็นความจริงอย่างแท้จริงของสิ่งเหล่านั้นในการมองแ น, แนวนี้ก็คือการมองในแนวปัจจัยการหรือนี่แนวปฏิจจสมบัติที่เคยเล่าให้ฟังฮะโลกคือมูสัตนะฮะอันชารานําไปใกล้ไม่ยั่งยืนจำนวนมาลีหน่ยคือหมายความว่าพอเกิดขึ้นมาก็เริ่มเสื่อมะเสื่อมแล้วก็แก่ไปเรื่อยเรื่อยเรยไม่ได้ยั่งยืนอะไรชีวิตไม่ได้มากมายอะไร ชีวิตเป็นของเล็กน้อยหรือเกินนะฮะเมื่อเทียบเทียบกับอะไรที่พระพุทธเจ้าทรงให้ดูเหมือนราหยาดน้ําค้างที่ตกบนใบไม้นะฮะเหมือนอะไรพยับแดดเหมือนต่อมน้ําเหมือนฟองน้ำอะไรนี่ให้ดูแต่ว่าปัญหาในแนนี้ว่าจะเปรียบเทียบกับอะไรเราจะเห็นว่าเอากับจริงเราเปรียบเทียบกับอะไรกับพวกช้างไงเราก็อายุน้อยกว่าช้าง เต่าเรารู้สึกรอยุดน้อยกว่าเต่านะน้อยกว่เต่ามากแต่ด้วยเลยและยิ่งไปเปรียบเทียบกับพวกเทวดาและยิ่งไปใหญ่เลยเทวดาชั้นจาตูมาราชเราก็แย่แล้วเราอายุห้าสิปีเขาเพิ่งได้วันเดียวเองเราอายุร้อยปีเขาเพิ่งชั้นดาวดึงเพิ่งได้วันชั้นจาตูมาราชได้สองวันเพราะนั้นอายุของมนุษย์จึงเป็นอายุที่น้อยมาก แล้วไม่ยั่งยืนอะไรเลยพูดๆๆๆไหลนะฮะเลื่อนไหลไปเป็นไปเร็วก็เห็นกันอยู่หลัดหลัดนะอย่างจัว่าเห็นกันอยู่ระดัดอ้าวไม่กี่ปีมีลูกมีต้ามีหลานแล้วอ้าวแก่ไปแล้วอ้าวตายแล้วเป็นการไหลที่เร็วฮะนี่ก็คือการมองโลกในแง่ที่เป็นจริงอย่างที่พูดว่าสมรภัญญาแล้วก็เหมือนกันทุกยุคทุกสมัย เป็นการแสดงเห็นว่าชีวิตเน้นมันไม่ได้มีความแตกต่างกันแต่ว่าพูดท่านมองในแนวลึกนะฮะท่านพูดในแนวลึกที่ออกจะเป็นสัจธรรมการมองจากจุดนี้แหละอย่างสมัยพระพุทธเจ้ามองพระพุทธเจ้าก็ขึ้นอยู่กับว่าพระพุทธเจ้าแสดงแก่ใครถ้าว่าคนที่มีพื้นหยาบพระพุทธเจ้าไม่เอาลึกขนาดเนี้ยจะเอาหยาบหยาบนะแต่ท่านจะเห็นว่าเป็นการมองในแนวเดียวกันเช่นทรงแสดงเรื่องวันณนะสี่ว่ามันไม่ต่างกันอะไรละ่ะ มันเหมือนเอาไม้มาจุดไฟขึ้นเนี่ยความร้อนก็ดีควันก็ดีขี้เท่าก็ดีมันก็คือมันก็คือกันแล้วไม่จำเป็นว่าไอ้นี่ไม้อย่างนี้ความร้อนจะต้องเป็นอย่างนี้เปลวไฟจะต้องเป็นอย่างนี้มันก็ก็เหมือนกันเราั้นวันณะทั้งสี่จึงเหมือนกันไม่ได้มีความแตกต่างกันอะไรในวันณะ้สี่ นั่นก็เป็นการแสดงในแนวที่ตื้นขึ้นมาเพื่อให้คนฟังถอนตรงนี้ออกไปได้พูดถึงตรงนี้ก็นึกถึงอินทิรานะฮะแกพูดไว้ก่อนจะตายไม่กี่วันนะครับแกพูดว่าจะเป็นที่น่าเสียดายนะฮะว่าอินเดียเนี่ยทิ้งพระพุทธเจ้าทิ้งพระพุทธศาสนาเพราะถ้าอินเดียมีพระพุทธศาสนาอยู่อินเดียจะไม่เป็นอินเดียอย่างทุกปัจจุบันนี้นะฮะ เพราะสมัยพระพุทธเจ้ามไม่มีวันนะพระพุทธเจ้าสลายวันนะแต่ว่าสลายได้ในรูปอะไรเกลีย <c> ว <oughs> <c oughs> อิดปลาลงไปในจอกแหน่พ <c> อ <oughs> หมดสมัยพระพุทธเจ้าพักเดียวตันเองฮะไปเหมือนเดิมแก้ไม่ตกแต่ความแตกแยกที่จะกลายเป็นพลังนะะคนตั้ง8ปดรอกว่าล้านนะมันมันมันเป็นพลังไม่ได้เพราะแตกแยกทางความคิดทางพวก และถ้าเรามองให้ซึ้งนะฮะประวัติศาสตร์อินเดียเนี่ยถ้ามองให้ซึ้งนะเนี่ยพศพ7 0 0รออิสลามเตเกกยกบุกอินเดียพระพุทธศาสนาอันตรธาน 1700. พสสันเจ็ดรพศศตวรรษที่24พศ2460กว่านะฮะพระพุทธศาสนานเริ่มเข้ามาแล้วก็พอพระพุทธศาสนานเริ่มเข้ามาอินเดียก็ได้อิสลาภาพ พระพุทธศาสนาออกอินเดียตกเป็นเมืองขึ้นก็800รอปีพุทธศาสนากลับอินเดียได้เสิทภาพแต่ว่ากลับมาเพียงเล็กน้อยกลับมาได้เพียงเล็กน้อยคือทุกทกวันเนี่ยฮะมีชาวพุทธก็ประมาณสักยี่ล้านนะฮะแต่จะอยู่ระดับต่ําของสังคมไม่มีอำนาจในการในการช่วยเหลืออะไรสังคม แ, แสดงตัวอะไรก็ไม่ค่อยได้จะแสดงไว้ดีมากแสดงยาวนะฮะสุนทรภพนี้ปรากฏว่าตอนนี้ข้ามาเมืองไทยกําลังจะติด ต, ต่อหามา พูดยาวยกย่องพระพุทธศาสนาท่านเนรูยกย่องว่าอภิชาตตบุตรของอินเดียพุทธเจ้านั้นเป็นอภิชาตตะบุตรของอินเดียซึ่งเสียดายที่เราชิ้งเ่ยทิ้งธรรมะของพระพุทธเจ้าไปเป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะท่านแต่หลายลองสังเกตว่าอินเดียเมืองแม่ของพระพุทธศาสนาเนี่ยพุทธศาสนาออกอินเดียหมดอิสรภาพทันทีพุทธศาสนากลับอินเดียได้อิสรภาพ แต่ว่าถ้ากลับมาเต็มรูปนั้นนะฮะกลับมาเต็มรูปได้นํำมาสู่ภาคปฏิบัติได้แล้วจะช่วยอะไรได้แยะโดยเฉพาะคือความเป็นเราเป็นเขานี่ก็อาจจะย้อนมาว่าเมืองไทยนี่ได้ขนาดไหนแล้วเมืองไทยนะ่ยมันเล่นสนุกเสียนานนะฮะจริงเมืองไทยเล่นสนุกเสียมาตลอดเลยสมัยอยุธยานั้นเราจะพบว่าไม่ว่าอะไรเรื่องสนุกทั้งหมดเรื่องไม่ได้ลุกซึ้งไม่ได้เน้นไปที่การประพฤติปฏิบัติ แต่จะเน้นไปในเรื่องสนุกจะเทศก็เทศสนุกนะหมาชาติอะไรอะไรเล่นกันสนุกทรงคงทรงเครื่องเราจะเห็นว่าฉาบสวยนะฮะเรามีระวุทธศาสนาแต่เราฉาบสวยตลอด เ, ลเราสัมผัสเป็นสุขโขไทยนะฮะสุขอุทัยคือการขึ้นมาของความสุขการอุทัยของความสุขเป็นสุโขไทยสุโขทยัยสัมผัสเลยนำไปสู่ภาคปฏิบัติ นำในสู่ภาคปฏิบัติแล้วในเชิงปริยัติเข้าใจลึกซึ้งมากพูดออกมาเป็นภาษาได้และทอดออกมาเป็นปฏิมากรรมได้ด้วยแสดงถึงความสำนึกภายในใจที่มีความส ง, งบมีความซึ้งในพระพุทธคุณนะเช่นพระพุทธรูปพระศาสดาพระชิ น, น ส, สาีพระศากยมุนีพระชินราชเราจะเห็นว่านั้ น, น, นคือใจนะครับมันจะทอนมาจากใจทีนึง ถ้าใจไม่ส ง, งบใจมีความโลภอยากได้ทำให้เสร็จ เ, เร็วๆจะได้จ่ายเงิน เ, เร็วๆอะรค่แรงคนงาน จ, จ่ายการแรงงานเร็วไม่ออกมาอย่างนั้นนะฮะเพราะงั้นอิอทธิพลของพุทธศาสนาสูงสุดจึงอยู่ที่สุโ ข, ขทยัยในภาคปฏิบัตินะภาคปฏิบัติสูงสุดมากแต่ว่าภาคปริยัตินั้นก็ที่จริงก็มีอยู่หลายยุคนะภาคปริัติมีอยู่หลายยุค เรายัางไม่ได้สัมผัสกันอย่างลึกซึ้งมากพอซึ่งจ็เป็นเรื่องที่จะต้องทำกันต่อไปแต่ตัวอย่างเหล่านี้เราก็สอนอะไรได้เยอะโดยเฉพาะในประเทศอินเดียซึ่เป็นเมืองแม่นะฮะของพระพุทธศาสนาเนี่ยทให้คนไทยเราน่าจะอนุสติไว้นะตรงนี้ว่าถ้าเรารักษาพระพุทธศาสนาไว้แต่คนไทยเรามองเป็นรูปธรรมนะฮะมองเป็นพระแก้วมรกต นั่นทั้งหลายก็สังเกตนะครับว่าพระแก้วมรกตไปอยู่ที่เมืองไหนนั้นเมืองนั้นไม่เป็นเมืองขึ้นของคนอื่นพระแก้วมรกตออกเป็นเมืองขึ้นตลอดศึกษาประวัติพระแก้วมรกตเรามองเป็นรูปธรรมแท้จริงพระพุทธศาสนาทั้งมวลนะไม่พระพระแก้วมรกตเป็นเพียงสั ญ, ญลักษณ์เท่านั้นองสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาเท่านั้นเองในแนวของเราเรามองเป็นรูปธรรมคือมองว่าพระแก้วมรกตอยู่แล้วจะไม่เป็นเมืองขึ้นใคร เพราะงานันเพราะงัเราก็กคุยโม้ได้พอสมควรนะสมัยเขาล่านานียคมกันเราเป็นไข่แดงอยู่ประเทศเดียดนั่นเองไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของคนอื่นเพราะมีพระแก้วมารากตอยู่เมืองเรานะฮะก็ดีนะไปเอามาจากลาวได้เอามาจากลาวได้ถ้าไม่งั้นเราก็คงจะแย่เหมือนกันนะเรามาจากลาวนะฮะตอนเนี้ยแต่แท้จริงสมัยอยู่ทางเชียงรายอะไรอะไรก็เหมือนกันเป็นเรื่องที่ที่หน่าติดตามนะะแล้วมันเหมือนกันหมดเลยเหมือนกับทุกบล็อกเลย อินเดียทางอะไรแล้วเหมือนกันหมดทีนี้ต่อไปเราก็กลับมาที่ธรรมูเทศข้อต่อไปนะว่าโลกคือหมู่สัตว์นั้นไม่เป็นใหญ่จำเพาะตนคือว่าไม่มีอะไรที่ที่ที่เราถือว่าเราเป็นของเราหรือเป็นเรานะฮะหรือว่าเป็นเรานะว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้เเนเ น, นี่ยที่จริงเราเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเท่านั้นเอง มันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกฎเกณฑ์ของธรรมชาติความวิปริดแปรปรวนตามธรรมชาติเราก็เป็นผลิตผลอย่างหนึ่งก็ธรรมชาติก็พลอยไอ้ถูกกระแสะเหล่านี้ตามกันไปด้วยจะมากหรือจะน้อยก็ตามนี่ก็คือความเป็นอนัตตาของของของชีวิตร่างกายทั้งหลายเนี่ยหรือของสิ่งทั้งหลายเนี่ยไม่มีตัวตนอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนยืนโรงถาวร อ, อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการกล่าวความจริงชั้นลึกนะฮะชั้นลึกชั้นปรมตาชั้นวิปัสสนากรรมฐานแต่ก็ไม่ได้พูดในที่ทั่วๆไปหรอกพูดในที่ทั่วๆไปมันก็มีปัญหาเกีกรรมฐานระดับนี้เป็นการแสดงถึงพัฒนาการทางจิตของคนที่เกิดขึ้นสูงแล้วนะฮะแล้วก็เราก็พูดกันในกลุ่มที่ที่ที่ผ่านขั้นตอนมาแล้ว คือจะไม่พูดถึงระดับล่างๆเพราะระดับล่างๆจะมีปัญหาทันทีเลยนะฮะเอาแตไม่ไม่มีตัวตนบุญบาปก็ไม่มีตัวตนน่ะทำบุญตทำบาปก็ไม่เป็นบุญเป็นบาปไปหายเลยค่าป่าหลยนะเพราะในการศึกษาเรื่องนี้เราจะเห็นว่าต้องรอวุฒิภาวะคนไม่ใช่ว่าไปพูดได้เรื่อยๆบุญบาปมันจะไม่มีไปด้วยนะมันไม่มีตัวมี ต, มตนอะ่ะบุญบาปก็ไม่มีไปด้วย คนบางพวกจะเข้าใจอย่างนั้นถ้าเขาถ้าเขาไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ศึกษากฎของไตรลักษณ์ให้มันถูกต้องบุญบาปนั้นเป็นเรื่องของโลกิยะเรียกวัตกามมีกุศลเรื่องของวัตตะนะเรื่องของพูดทั้งายทั้งไฟน้ําทําน้ําเนี่ยพูดพูดพูดรวมรวมมฮะแม่น้ําเจ้าพยาก็พูดทั้งแม่น้ําปิงวางยมนั่นก็พูดทั้งแม่น้ำไปงั้นเองอะ แต่แท้ที่จริงแล้วมันก็เป็นกระแสนะฮะบุญบาปเองมันเป็นกระแสที่แนบแน่นนอนเนื่องอยู่กับจิตนะฮะมันก็ผสมผสานเนกับจิตก็ปนกันไปเมื่อจิตยังไม่ดับไอ้บุญบาปมันก็ไม่ดับก็อย่างอย่างที่พูดแต่วันก่อนนะฮะวิญญาณนามรูปจะดับนะเอ๋สติปัญญานามรูปจะดับในที่ไหนพระเจ้าทรงแสดงว่าเพราะวิญญาณดับนามรูปก็ดับทั้งนามทั้งรูปมันก็ดับสติปัญญามันก็ดับไปในที่นั้นก็ดับหมดเลย นั่นก็คือในแง่ของความเป็นจริงมันก็ไปไปถึงจุดหนึ่งเมื่อมันหมดมันก็หมดไปได้ทุกอย่างเงื่อนไขต่างๆที่จะเชื่อมโยงกันก็หมดถ้าหมดนะฮะมันก็หมดทําให้หมดมันก็ยังไหลอย่างเงี้ยยังไหลกันไปเรื่อยๆดังนั้นชั้นของปรมัตาจึงคือชั้นของปรมัติตที่เราจะต้องพูดในระดับของวิปัสสนานี้เป็นธรรมะระดับวิปัสสนาเป็นธรรมะระดับวิปัสสนาเพราะมองในรูปของความจริงที่แท้จริง โลกไม่มีอะไรเป็นของของตนที่แท้จริงนะฮะแล้วจะต้องทิ้งสิ่งทั้งปวงไปที่ของเราของเรากันด้วยประการต่างๆนี้เอาค่าจริงแล้วไม่มีของเรานี่คือปรมัดคือคื อ, ค, อ, ค, อคือต้องมองเรื่องปรมัตดให้ชัดว่านี่คือความจริงระดับปรมัตเป็นความจริงที่แท้จริงไม่ใช่ความจริงขั้นสมมติสมมติมมคือสมมติเลยสมมติ น, นั่นก็เป็นสามีปัญญาการที่จริงสมมตินะ เอามายังอัศจรรย์ในเรื่องสา ม, มีภรรยาอัศจรรย์คือศึกษามนามทำใหมตั้งแต่ไหนแต่ไหนมาตอนตอ น, ตอนเป็นคู่รักกันรักกั น, กกนปานจะกินกินอยู่ร่วมกันรักกันหรือเกินคู่ทุกคู่ยากพ อ, อยาขาดกันโกรธจะฆ่ากันให้ตายได้มันเรื่องอะไรเรื่องอะไรทำไมไม่เป็นเพื่อนกันหน่อยเป็นเพื่อนกันไม่ดีหรือเออยอย่างน้อยก็นนั้นพ่อของลูก น, นั้นแม่ของลูกมีความรู้สึกอดสายใยญ่ผูกไว้รักสายไม่ได้ย เ, เลย ทำไมเอาแตกหักกันเย็นถึงก็เป็นศัตรูกันเลยมันก็แปลกนะตีแรงเลยเกินนี่ยเป็นหนุ่มเป็นสาวก็รักกันนะฮะเป็นสามีภรรยาก็รักกันฮะพโกรธพอยาคากันแล้วก็หันหลังให้กันแล้วมันโกรธกันจริงไม่มองหน้าพูดถึงก็ไม่ได้นะหน้าเสียดันดีเลยนะโอ้แปลกจริงไม่รู้อะไรทําไมไม่อยู่บนจุดกลางๆมันเย็นๆหน่อยมันร้อนเลยเกินนี่นะนะร้อนเลยเกินในจุดอย่างนั้นความคิดอย่างนั้นร้อนเลยเกินทําไมไม่มองไงมันมันมันเย็นๆนะให้มันเย็นๆเออเป็นเพื่อนกัน เป็นเคยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเคยช่วยเหลือเกื้อกูลกันมานะเราถ้าขาดเขาคานั้นก็แ yeah, ยนะ่เขาถ้าขาดเราคานั้นก็ yeah, แย่อะไรอย่างเงี้ยเราก็รอดกันมาได้เนี่ยก็เพราะเขาเพราะเรานะเย็นๆได้เยอะนะอมองได้อย่างนี้ทําไมไม่มองอย่างงัยมันรู้เป็นเป็นเรื่องที่แปลกแล้วว่าทุกงานเลยนะทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งชาวนาชาวสวนแนวอย่างนั้นทำไมไม่ไม่ไมาหยุดพุ่งไปชนฝาอย่างนั้นกันเอามายืนตรงกลางๆหน่อยเยน็นๆ แล้วเราจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นคนหนึ่งฮนะเลิกจากสามีเลิกจากพันยาไปคนหนึ่งแต่ได้เพื่อนเพิ่มขึ้นกันนะเพื่อนที่เคยเข้าเข้าใจกันมานะฮะลบจุดด่างนิดเดียวออกนะกลายเป็นเพื่อนกันได้นี่ก็เป็นเป็นเรื่องที่ที่น่าจะหาจุดกลางในชั้นสมมตินะสมมติสมมติมมแล้วก็สมมติให้เป็นให้มันเย็นๆนะสมมติร้อนๆมันเดือดร้อนหแต่ว่าโดยแง่ของความจริงแล้วเราก็ไม่มีอะไรในอย่างที่เห็นกัน อย่างที่เห็นกันชัดเจนมากเลยแล้วพระพุทธเจ้าทรงชี้นะฮะเราจะเห็นว่าพระเจ้าก็ไม่ไม่ม่ไม่ได้กระแทกแรงกระแทกกระแสแรงฮะค่อยๆประคองกระแสไปว่าให้รู้ว่าไม่ใช่ของเราอย่างน้อยที่สุดนะในชั้นสมมุติก็อย่าละเมิดของที่ไม่ใช่ของเรานะอย่าไปรักของที่ไม่ใช่ของเราตั้งเห็นไหมฮะนี่สอนจริงให้รู้ว่าไม่ใช่ของเราแต่มันมันมันแรงกระแสแรงก็ปะทะไว้ก่อน อย่าปลเมิดของที่ไม่ใช่ของเรานั่นคืออาการกายกับวาจาเสร็จแล้วเดินไปอีกขั้นหนึ่งอย่าโลภของที่ไม่ใช่ของเราอย่าโลภอยากได้ของของคนอื่นเห็นไหมอย่าโลภอยากได้ของคนอื่นคือที่จริงมันไม่ใช่ของเราอ่ะก็อย่าโลภอยากได้นั่นขึ้นมาจิตหนึ่งแล้วพอขึ้นมาอีกทีอย่าโลภขึ้นไปทีอย่าโลภไม่ว่าของเราหรือของใครก็ตามมันไม่ใช่ของเราเริ่มเรียนรู้สัจจธรรมสมขึ้นพระพุทธเจ้าเริ่มปะทะไว้ตั้งแต่ที่นาทานนะเหปะทะไว้ก่อน รู้ว่ากระแสโลกมันไหลแรงฮะแต่ว่ามันก็ยังยังยังไงยังไงอย่าทะลุกำแพงออกไปก็แล้วกันนะนะคืออย่าไปถึงการละเมิดของคนอื่นตายขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งพอตายขึ้นมาได้แล้วไอ้ของอยู่นี้มันประณีตนะตั้งสิบกว่าชั้นนะฮะประณีตมากเลยในชั้นเนี้ยชั้นชั้นอาทินนาธาเนี่ยถ้าว่าเราศึกษารายละเอียดลงไปเนี่ยเมื่อก่อนมีใครมาขอร้องให้เขียนเรื่องเรื่องศีลห้าที่ละเอียดให้ตั้งเล่ม มาบ่อเขียนมันได้เรามีปัญญาเขียนจะไม่มีปัญญาพิมพ์เพราะไม่มีตังค์เรื่องง่ายท <laughs> ปัญญาเขียนเขียนตั้งสางวันก็เสร็จหนังสือที่ไม่ไม่ไม่ได้เรื่องแปลกอะไรตัวตัวการต้องการว่าปัญญาจะหาสะตางค์นยมันไม่ค่อยมีทีนี้จากจุดเนี้มันประณีตขึ้นไปจนเราจะเห็นว่าของบางอย่างที่คนเขานั่นนะฮะคนช า, ชาวบ้านทั่วไปเขาใช้กัน คนที่ใจเขาประณีตเขาจะไม่ใช่นะฮะเช่นเช่นอะไรละพวกของรักของก็โมวยของหนีภาษีอะไรอ้ยแต่ถ้าเอาลึกซึ้งอย่างนี้อธินาทานไม่ค่อยไม่ค่อยรักษาได้ต่ออะไรละแล้วเราก็ต้องตัดออกน ะ, ะคือหมายความว่าเราอย่าไปมีส่วนในการหนีภาษีเองไอ้ของก่อมหนีภาษีก็มาขายอยู่ในตลาดนี่ไม่มีใครรู้ลึกซึ้งขนาดนั้นนะครับพระพุทธเจ้าไม่ไปเอาขนาดนนในชั้นสีเนี่ยเพราะว่าไม่มีใครไปรู้ มีใครไปรู้จริงเราซื้อเราถูกต้องนะก็เรียบร้อยพอแล้วแต่พอในชั้นธรรมะก็เดินไปเราจะเห็นว่าภกุศลกำหนดอย่าโลภอยากได้ของคนอื่นนะพอถึงชั้นสติปัฏฐานเห็นไหมอาพิชชาอย่าเพ่งเลง็งโลภอยากได้อย่าโลภซึ่งม า, มาความมันจะเป็นของอื่นหรือของขอ ง, ของใครก็ตามครความโลภนั้นเกิดขึ้นจากความหลงเข้าใจว่ามันจะเป็นของเราย้อนกลับไปต้นอิกทีคือเข้าใจว่ามันจะเป็นของเรา เพราะอาวิชาเข้าใจว่ามันจะเป็นกนรารรกรลกมันเรื่อยๆไปนี่ก็เป็นวิธีปทะกิเลสของพระพุทธเจ้าตั้งกำแพงสกัดไว้เป็นหลายๆจุดนะก็พอกระแสมันอ่อนลงนะเราจะมีปัญญาสูงขึ้นและจะเข้าใจว่าแท้จริงแล้วไม่มีอะไรของเราเพราะพอถึงจุดนี้แล้วคนเหล่านี้สละได้เรื่อยๆเสียตละดจริงต่างๆได้เลยสังนั้นพอมาสายเสียละ เราเราเห็นว่าอย่างพระเิสันดอนท่านสละท่านสละท่านในสายของท่านสละหายไปเลยจนแม้แต่ชีวิตท่านเองท่านก็สละเพราะอะไรเพราะว่ามองโลกชัดเจนมากยิ่งขึ้นไม่ไม่มีอะไรของเราสักอย่างเราดูเป็นรูปธรรมได้ทั้งหมดเป็นเป็นความจริงตัวความจริงนี่เป็นสัจธรรมที่เป็นนามธรรมา แต่ว่าขึ้นสู่ภาคปฏิบัติเป็นรูปธปรรมในพฤติกรรมของคนต่างๆที่เสียสละอะไรช่วยเหลือเกื้อกูลแกบุคคลอื่นได้นะแม้แต่ในระดับนะักการเมืองอะไรๆอย่างยกตัวอย่างแม่ใหญ่อินทิราก็ได้นะฮะนันะจะเห็นว่าถ้าไปดูบ้านกันแล้วไม่มีอะไรละ ค, คือคนจนๆคนหนึ่งนะบ้านใหญ่จริงๆบ้านของปู่จริงๆที่พ่ออยู่เนี่ยให้เป็นวิถีภัณนฑะ์บ้าแก่เล็กนเดียแล้วก็เสียสละทุกอย่างเลยจนลงจนลงฮะ ยิ่งเป็นนายกรตีนานยิ่งจนลงจนลงก็อา จ, จอยู่ไปนานๆคงจะมีเฉพาะเงินเนะือนน่ะนี่คือคือจิตใจที่มันเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้นแต่กระแสโลกเหล่านี้เป็นกระแสเหมือนเดิมนะคงเดิมเป็นความจริงที่ยืนตัวอย่างนั้นไม่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงในตัวมันนีสตว์โลกจะต้องรู้ความจริงเอาไว้อย่างหนึ่งว่าไม่มีอะไรเป็นของเรา ที่แท้จริงนะฮะในชั้นที่แท้จริงแล้วไม่มีอะไรเป็นของเราแต่อย่าลืมว่าในชั้นของโลกิยะยังมีของเราอยู่มีของเราทุกขั้นตอนนะาบาปใดเรายังมีการเวียนว่ายแต่เกิดี้ของเราต้องมีอย่างน้อยก็ต้องเอาบุญบุญไว้ก่อนนะฮะบุญเป็นของเราไว้ก่อนบุญแล้วบาปจะต้องติดตัวเราไปนั่นคือชั้นหนึ่งแต่พอถึงชั้นจริงๆแล้วแม้แต่บุญที่บาปก็ไม่ใช่ของเราต้องละบุญบาปได้ ที่ท่านอุ ป, ปมาเหมือนการข้ามฟากเมื่อก่อนเราก็ต้องอาศัยเรือข้ามฟากเรือก็ของเรานะต้องมีความรู้สึกว่าของเราไม่งั้นในเรือจมเลยมีความรู้สึกของเราต้องช่วยรับผิดชอบเรือพาไปถึงขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วก็ไม่ใช่ของเราเราไม่ต้องรับผิดชอบอะไรก็ทิ้งสิ่งเหล่านั้นไปทรัพย์สมบัติทั้งหมดก็เหมือนกันเราอาศัยอาศัยเขาแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องชิ้งทุกอย่างก็ต้องทิง แล้วก็โลภพล่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จกอิ่มเป็นธาตุของตัณหาไอ้ น, นี่ภาพภาพชัดเลยนะภาพชัดเลยเห็นภาพได้อย่างชัดเจนว่ากระแสของตัณหาที่ไหลไปในอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีคำว่าอิ่มคำว่าพอเลยอย่างในปัจจุบันเนี่ยข้าราชการใน41นี41น่ถุงสุดนะฮะไม่มีใครหยุดแต่41ประลาดกระทรวงบางคนเนี่เป็นประธานกรรมการทั้ง200ตาแหน่ง ไม่รู้ประชุมยังไงนึกไม่ออกเหมือนกันเป็นอยู่สองร้อยตำแหน่งฮะวันหนึ่งประชุมสองสามที่ก็ไปถึงนั่งหน่อยแล้วก็ให้คนอื่นทําหน้าที่แทนเซนรับเบี้ยประชุมก็ไปเซนต่อก็ก็กระจ่ายเฉพาะเบี้ยประชุมพอแล้วนะเงินเงินเดือนไม่ต้องรับยังได้มันไม่มีหยุดเพราะกระแสของตันหาเนี่ฮเอตังมะมะเอตังวมะไอ้นั่นของเราอนั่นเงินเรานั่นตําแหน่งเราอนั่นเราต้องเราเข้าไปอยู่ทุกงานนะ นี่คือกระแสของตัณหาที่ไหลไปนในอารมณ์ทั้งหลายแล้วไม่มีอิ่มไม่มีใครว่าอิ่มเลยสักคนพอหยุดแค่ไหนแล้วไม่ไม่เลยมีคําตอบแล้วเพราะฉนั้นแรงประทะประทางกับกระแสของตัณหาพระเจ้าก็แสดงธรรมะในรูปปะทะกระแสตัณหาเหมือนเดิมปะทะไว้เรื่อยๆตลอดทุกจุดกระแสของตัณหา ก, ก็กระแสของความโลภนะฮะส่วนหนึ่งก็ความโกรธ ปุวิพระวัตันหานี้มีกระแสโกรธสูงภาวะการบารทันหาว่าตันหาก็มีกระแสโลภสูงแต่ทั้งสองอย่างนั้นก็เกิดมาจากโมหะนะครับทีนี้การที่นําตันหามาแสดงพระตันหาเป็นภาพเต้นมันภาพเต้นมันเกิดมันเต้นได้บนใจเต้นออกมาจากแววตาตาลุกวาวเลยนะเห็นของเห็นของอะไร ก, กระแสตันหานี่เห็นตามเป็นมันเลยอยากได้ก่อนมันเห็นชัดนะมันกระแสมันเต้นแรง พระพุทธเจ้จะใช้คำนี้มากภาพมันเต้นพกะจะพูดถึงอนุสัยอย่างที่มันลึกเกินไปอะลึกเกินไปคนมองไม่ออกเลยจะมักจะใช้ตันหาเพราะตันหาคือจิตมันดิ้นดิ้นตรนตโยตยานอยากแล้วบางทีเนี่ยแสดงอาการออกมาเมื่อรู้ข่าวจะได้นะฮะกระแสตันหาก็กระตุ้นอย่างแรงลอยตัวเลยนะฮะไม่มีสติสตางอะไรบางทีเนี่ยเต้นเฉลิมฉลองกันหมดรูปหมดร่างเลคนหนึ่ง นี่คือคือคือมันคือมันมันเราเห็นได้ง่ายฮะกระแสตันหานี่เห็นได้ง่ายจึงใช้คํานี้มากให้เราสังเกตรอริยาสัตว์ทรงใช้คํานี้แท้แท้จริงมันก็คือกิเลสนั่นแหละกิเลสกิเลส ท, ทั้งโลกโกรธหลงแหละแต่ว่าอาการของโลกกับโกรธชัด่นั้นเองพระเจ้า ก, ก็ทรงแสดงเห็นว่ามันไหลไปตามกระแสของตันหานเนี่ยเพราะงั้นพอมาถึงรัฐบาลท่านชี้ต้องกระชี้เห็นว่าเป็นกระแสคือไหลไปตามกระแสของตันหา ไม่มีคำว่าอิ่มคำว่าพอคำว่าจุไม่ว่าด้วยด้วยวิธีตอบสนองที่ท่านอุปมาเหมือนกับไฟนะฮะไฟไม่อิ่มด้วยเชือ้อหมาสมุนไม่อิ่มเป็นน้ำนะฮะอันนี้แยกสองทางนักปรารไม่อิ่มด้วยธรรมนะฮ ะ, นนนน ะ, ฮะคนคนมีกิเลสไม่อิ่มด้วยการตอบสนองลองไฟที่แกมีเชื้ออยู่ให้แกไหม้เอยอย่างไฟเผาผีที่ ถ้าทะอัศวเมตริมฝังไว้น้ําคงคาประเทศอินเดียนเนี่ยเผามาตั้งก่อนสมัยรุกขเจา้าไม่เคยดับเลยเพราะอะไรเพราะมีเชื้อให้เผาอยู่ตลอดเผาอย่างงั้นน่ยในขณะที่เผาด้วยคนก็ตายก็ตายนอนพังเงาปัเงารอที่จะที่จ ะ, จะเผาตัว น, นั้นก่อนอนเรียงอยู่เป็นแถวไม่เคยดับตลอดช่วนาตาปีเผาไามพัน 3, กว่าปีแล้วที่สืบไปได้นะอาจจะถึง4ี่ห้ันปีแล้วก็ได้เราก็ไม่รู้แต่ว่าเตาตรงเนี้ยเผากลับมาอย่างเงี้ยเผากลับมาอย่างนี้เลย นี่คือกระแสของกิเลสมันก็เหมือนกระแสของไฟคือตราบใดที่ให้เชื้อแกอยู่เรื่อยเนี่ยให้เชื้อแกอยู่เรื่อยแกก็จะลุกไหม้ได้เรื่อยเลยกระแสตัานหามีลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนในรูปที่ให้คุมนะให้คุมทิศทางความอยากในตอนต้นนะฮะโดยเฉพาะในปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยควบคุมความอยาก ได้เครื่องนุงผมอยากได้กินอยากที่อยู่อยากยายแก้ไขอยา ก, ก, ยากเรื่องปัจจัยเสอย่าให้ถึงกับทำด้วยตัณหาแม้แต่การกินด้วยตัณหาอย่างเดียวก็แย่แล้วนะฮะอย่างในปัจจุบันข้าวของแพงลงเราก็กินด้วยตัณหาอยากจะกินอะไรผลไม้ก็ต้องต่างประเทศอะไรต่อะไรนะฮะไข่ปลาขาวงคาเวียอะไรนะในในในเรื่องนะฮะได้ในในเรื่องก็นี้สีนี่ลงจุงนางกันไปเพราะ ง, งั้นถ้า บรรทากระแสของตันหาได้ในจุดนี้นะฮะรู้จักอิม่มรู้จักพอรู้จักหยุดนั้นก็เราก็ไม่ไหลมากเกินไปก็คงไหลอ ย, อยู่นะฮะแต่ไหลเอื่อยหน่อยไม่ถึงก็ชนตลิงชนกำแพงนะมันก็ไหลไปได้ควบคุ่มที่ทางกองการไหลตามใดที่ไหลพระเจ้าสอนในการควบุมทิศทางกองการไหลนะฮะแต่ว่าจุดจริงๆต้องการหยุดไหลเลยนั่นคือป้าประสงค์จริงๆพตอนนี้ก็เป็นโลกทัศน์ในแง่ที่เป็นสัจจานะฮะ เแง่ที่เป็นสัจจะคือตรวจสอบได้ทุกผนทุกแข่งในโลกนี้ไม่ว่าที่ไหนก็ตามและแม้แต่เครื่องวิทยาศาสตร์สมยัยใหม่มันก็เหมือนกันนะฮะอัญชล า, านําไปใกล้ามายังยืนญาณณพรโลยานอะไรคนลอมบุกอลอมเบียนี่เหมือนกันนะมันเสื่อมหมดต่อไปต้องห่วงแม้ได้ผิดผลที่เกิดขึ้นในพรุ่งนี้มาหรือ น, นี้หรืออีกอีกอีกกี่ร้อยปีข้างหน้ามันอยู่ในสภาพนี้นี่คือโลกของความเป็นจริงนะฮะซึ่งเตรียมใจรับไว้ได้ในชั้นหนึ่ง มันก็เป็นประโยชน์มากเวลาเราต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านั้นตอนสมมติก็สมมติเป็นนะตอนตอนมาเข้าถึงปรามาตัตดก็ปรับใจเข้าอยู่ในจุดปรามาตัตดเราได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ทั้งในชั้นสมมุติในชั้นปรามาัดอย่าไปคิดว่าต้องมรรคนิพพานเสมอไปที่จริงความจริงเหล่านี้ถ้าเราเข้าถึงได้ระดับหนึ่งแล้วปรับใจไปยืนในจุดที่เหมาะสมได้ เช่นพอไอ้สิ่งของที่เป็นของเรามันแตกสลายไปเมื่อตอนเป็นของเราก็ปฏิบัติดีเอื้อเฟื้อรักษาะทนุถนอมนะฮะเอาใจใส่ดีนั่นคือสมมติพอของแตกสลายไปก็เข้าถึงความจริงปรมัดว่าของมีการแตกเป็นธรรมดามันก็แตกไปแล้วร้องไห้เสียใจเสียดายมันก็ไม่ได้ช่วยหายแตกได้แตกแล้วก็หยุดความคิดไว้ได้ก็สงบได้ทั้งสองจุดนี้ก็เป็นวิธี เรีกว่าอปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเป็นการเคลื่อนไหวทางใจให้อยู่ในจุดที่เหมาะสมอย่าให้เสียดุลยภาพคืออย่าให้จิตมันเสียอเสียการทรงตัวก็จะได้ประโยชน์จากการเรียนรู้และการเข้าถึงธรรมะเหล่านี้พวันนี้ก็หมดเวลาแล้วก็ข อ, อยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยตัวกันทุกท่านเถอ